50 languages. 95 n e t y f i v e Pachanme. Kam santi an two. Samuchya Bodha ke d อ She has not worked e when? Oka Doto Kamne k a r i Since she g ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานตับตอ้ค ต, ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลยอุบาตอ้คตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุข จดโอ้โถโอเอกดูเจนูจานเดนีโอดโตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยจดโอ้โถโอณ่าเดทสองบัจเฉยห่วยฮันโอดโอ้โถโอโธเธอโทรศัพท์มาตอนไหนโอ้คดโฟนคะเรีขณะขับรถหรือ ก๋าดีจะเล่นวันวัคต์ใช่ขณะที่เธอขับรถฮะจะดูโอ้ก๋าดีจะเล่นวิ่งโอเวกีเธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถก๋าดีจะเล่นเวเลโอ न อนคั่นดีเหรอเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้าก๊าปเรีี เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงานานักทำ क านเวลेโอ้เสียงเพลงส่ดีดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่นจดโหेเรคอน न กหนีหุ่นดีแม้คุยดีก็หนีสักด้าจดโหมเรอนักหนीหุ่นดีแม้คุยดีก็หดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรี ग ग य, ดังเกินไปจดโอ้สังกิตอุชะวัจดาเหตุแต่เมื่อคุณสมบัติไม่พอนดาจดโอ้สังกิตอุชะวัจดาเหตุแดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นวัดจดโอ้มินุจุคามหุนดาเหตุแต่เมื่อคุณสมบเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก इ, เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่เจสซลาตเร่ลากไง सारी दुनिया ทुมถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าวเจสซาร์ดีीาตเร่ลากไงตั้งสิข้าวเริ่มทานข้าว